ครับน้องขอบคุณพระคือ โลกเป็นแบบไหนโลกเป็นแบบไหนนะ ทำให้เกิดการดีระลึกถึงวันฤกษ์ฆาตทั้งเช่นในวัน ต่อต้านคอร์รัปชันแห่งอ่าโลกอ่าหลายนะฮะสิ่งโลก อ่าแย่มากขึ้นนะครับขณะที่แต่ บังคับเป็นทาสมีการซื้อขายกันแต่ทาสสมัยปัจจุบัน มีคนฆ่าตัวตายนี่สูงมากวันนี้ นะมีส่วนที่จะช่วยถ้าเกิดใครสักคน สิ่งที่กําลังบ่งบอกว่าที่คล้ายเป็น นะอ่านะต้องแสดงนะนะ 81 นะคุณ Tämä on yksi asia, joka on ollut aina olemassa. Tämä on yksi asia, joka on ollut aina olemassa. Tämä on yksi ตัดสินใจไปเองเนี่ยภาษาเพ้อใหม่แปลความมา ที่ช่วยทําให้คนไม่ฆ่าตัวตายได้ นะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผู้ เพื่อนหรือเพื่อนรวมงานเพื่อนข้างเพื่อนรวมชาติหรือเพื่อนร่วมงานนะ เพื่อนลุงโลกเราอาจจะไปเสนอว่าเค้าไม่ใช่เพื่อนบ้าน <นะ. S 1> อยู่บวชเดียวกันแต่ไม่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะนะอ่าจริง เราอาจจะไปเสพ 10 25 37 นะกก า, 10 ข้อ 25 ถึง 37 ข้อ 25 ได้กล่าวบอกว่าดู เขาทูลตอบ เผอิญปุโรหิต วันรุ่งเขา บิดาเจ้าสนเสริมขอบคุณในความรักความเมตตาพระเจ้าพระท่านใหญ่สมควรแก่การสน ja ขอขอบคุณพรุ่งจะอวยพรณพระเจ้าทรงนำผมยินเอ่อพมพีทุกตอนรับการตนใจซึ่งมาจากพระเจ้าคุณหยดในการสอนการ ของของอย่างทั้งหลายตามชอบพระทัย จงรักทรงเพื่อนพระเจ้าของเจ้าดี อ่าที่ถูกโจรปล้นในเขาฝั่งทาง แล้วก็ผ่านไปก็ผ่านไปคนเลวีก็เดินผ่านมาแล้ว หลังจากเล่าใน 3 คน แล้วจะได้ชีวิตนิรันดร์ความหมายของแปลกความอย่างเงี้ย ตัวนะชีวิตของเรานี่ขึ้นอยู่กับชีวิตของ แล้วก็พยายามแสวงหาศึกษาธรรมะ เขาก็ได้แค่ครึ่งข้อนะของธรรมบรรยัติคือจะ แต่ให้รักเพื่อนบ้านข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายว่าให้รัก เขามาถามพระเยซูว่าทำอย่างไรจะได้ชีวิตนิรันดร์พระอ๋อ 1 2 3 4 5 พระเยซูไม่ตอบใช่มั้ยพระอ๋อจงรัก โอ้ท่านเข้าใจถูกแล้วนะฮะจงทําอย่างนั้นแล้ว แต่เค้าลืมละเลยไม่ใช่ลืมละเลย โดยตั้งคำถามว่ารู้นะ แค่ฐานอามพีหรือมาโนสิกากระจกครับแต่ฉะนั้นถามว่ารักพระเจ้ารักขึ้นบ้าน <P 're S 1> <laughs> คุณต้องเสียเราก็ไม่เอานั้นเขาพยายามปัดหน้าที่ทิ้งและใครคือรักเพื่อน นะธรรมเนียมปฏิบัติที่ว่าทําตามที่เพื่อ รักพระเจ้าไม่ต้องจ่ายราคามีจะได้กับได้เจ้าไม่ต้องจ่ายราคามีจะได้กับได้แต่เมื่อไหร่ ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับชีวิตของคนอื่นชีวิตของเราขึ้นอยู่กับชีวิตของ 21 9, ถ้าผู้ใดว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าและใจ เราตัดทอนนั้นพระเจ้าพระเยซูพูดชัดขึ้น 1 เรางั้นถ้าท้ายบัญญัตินี้ นะเราต้องเสียชีวิตมั้ยแต่ตอนที่พระเจ้ารัก ก็แค่นั้นเพื่อจะรู้ว่านะฮะยังไงขอย้ําอีกครับรัก รักพระเจ้านะเพราะว่ามันต้องจ่ายราคามันต้องลง บัญญัติพระเจ้านะถือรักษาบัญญัติมาตั้ง เรื่องของบทบัญญัติต่างๆมันอาจจะเป็นตระกูลพวกฟาริสีก็ได้ ในข้อ 28 บอกว่าพระองค์จึง แต่เมื่อเพราะแสดงว่าเรารักพระเจ้าท่านแสดงออกถึงการรักเพื่อนบ้านนะนี่คือสิ่งอ่าชีวิตของเราเนี่ยขึ้น ไปด้วยกันแต่ถ้าท่านอยู่คนเดียวกันแต่ถ้าท่านอยู่คนออกนะ<อ> เมื่อไม่รักพระเจ้าเค้าก็สูญเสียชิวิรัตน์ไป ในโลกนี้มีคนถูกปล้นเยอะเหมือนกับ เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้า คนถูกปล้นมักจะนะฮะมักจะครับแครนจิตใจ คิดนะฮะสุดท้ายมาแต่คิดนะ ทหารไปปล้นเมืองปล้นเมืองแล้วก็กวาดคนให้เป็นเชลยเชลยแปล แม้ข่าวที่เราไปมองดูตามหาข่าวต่างๆเนี่ยนะนั่น ชอบมองไม่เห็นหนทางมืดแปดด้านอ่ากง sitten kun sanon, että moni voi tehdä niin, niin moni voi kun hän voi tehdä niin. Kun hän voi tehdä niin, on hän voi tehdä niin. Hän voi tehdä niin, kun hän voi tehdä niin. Hän voi tehdä niin, kun hän voi tehdä niin. Hän voi tehdä นะแต่ปัจจุบันเนี้ยโฆษณาชนนะใคร่ควรดูว่าอันนี้โฆษณาชนเชื่อหรืออ่ามัน อ่าข้อนั้นชื่ออาวุธการล้างสมองเอ่อสมัยคอมมิวนิสต์ และคนเหล่านี้ต้องการคือ สรุปว่าว่าคนที่ชื่อว่ามีนะคบเซียนลําบากเหลือเกินนะ ตายเป็นคนที่มีพระเจ้าไอ้คนที่เรา แสดงออกในการรักเพื่อนบ้านรักคน อาทิเขาต้องสระขี่มาเค้าต้องสละไม่ขีลาเอาคน <c oughs> เขบลาปกตินะการจ่ายเนี่ยถ้าเรารักคนบ้านเนี่ยนะแต่ เพราะนะจะเราไปเรียนแยกก็ไม่ได้หรอกทําไมเราช่วยเค้าเพราะเรา และท่านได้เข้า New World Order การจัดระเบียบโลกใหม่การจัด <c oughs> เรื่องของการค้าเสรีและเร 13 ครอบครัว และบวกกับอิลิตใหม่อิลิตใหม่คือคนที่เริ่มเติบตัวขึ้นกับอีลิตใหม่อีลิตใหม่คือคนที่ วิคอลนะวิคอลนะผมไม่กล้าเอ่ยชื่อไอ้นานถ้าไม่อ่านดู <laughs> <gonna> <laughs> <gonna> <laughs> และคนกลุ่มนี้อาจนะแล NGO NGO คือองค์นะ NGO สมัยอยู่สมัยก่อนคนทํางานนะฮะเอสเงี้ยนะประเทศไทยก็ และเมื่อได้เงินขึ้นมาแล้วก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเขาไงเออนะคุณเอา คนข้าสุดตายเยอะอ่าตอนหลังนี่เศร้าใจหลายเรื่องเรื่อง <laughs> อันนี้ได้ข่าวพระเจ้านะฮะแต่ยังมีหลายคนที่หลอกคิวอยู่ ดูจากตาเมื่อเราจ่ายรักษาช่วยเหลือเพื่อนบ้านบ่ง เราอยากไปสวรรค์เขาก็อยากไปสวรรค์เหมือนกันไม่ใช่เรา เพื่อนบ้านของเราก็อยากไปสวรรค์ <c oughs> ก็จะได้ชีวิตจะได้ชีวิตเพียงแค่คุณจุดตะเกียงให้เรา นั้นพระเยซูว่าเมื่อจุดตะเกียงแล้วอย่าเอา จริงๆนะเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐถึงเรื่องนะทําให้เรามั่น เรซูคือกำลังและสุดสิ้นความคิดของเจ้าและจง ได้เต็มตัวแล้วเข้าสู่ฟรีเพราะรักพระเจ้า เราไม่ต้องจ่ายราคาอะไรไม่เราต้องจ่ายราคาหลายเรื่องจ่ายราคาอะไรแต่เมื่อ ที่พระเยซูได้จ่ายราคาเพื่อเราเยซูได้คือตายเพื่อเราราคาเพื่อเราเมื่อพระเยซูรัก พระเยซูประทานให้เรารักเพื่อน แล้วควรจะยกมีให้กับลูกมีของเราแบบนั้นควรจะยกหนี้ให้กับลูกหนี้ของเราแบบนั้นสรรเสริญและ ขอบพระคุณในความรักของพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงประชดฮาเลลูยาอาเมนสรรเสริญฮาเลลูยาขอบคุณฮาเลลูยาสรรเสริญพระเยซูอาเมนสรรเสริญ ก็ขอทั้งหลายเรียนรู้จักการจะรัก แต่พระเยซูมาเพื่อทรงหลายได้ชีวิต Amen